มีใครอยากจะว่าอะไรไหมอยากจะถามอยากจะพูดอะไรเราพูด้มากว่าอยากจะฟังแล้วที่นี่เป็นเหมือนกับอาหารตามสัง่งธรรมะตามสัง่งใคอยากจะฟังอะไรก็สั่งมาเปิดประเด็นมาแล้วก็เราก็จะเข้าประเด็นไป ไปราอาหารเรายังสั่งอาหารกินเองไม่ใช่เลเลือกได้ใช่ไหมจะเอาพิซซ่าหรือเอากว๋วยเตี๋ยวหรือเอข้าวต้มธรรมะก็เหมือนอาหารมีหลายแบบหลายชนิดจะเอาร ะ, ระดับนักบุญหรือเอาระดับนักบวชดีระดับนักบุญก็ทําบุญทําทานรักษาศีลห้าระดับนักบุญตายไปจะได้ไปสวรรค์ ไม่ต้องไปอบายไม่ต้องไปเกิดในเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องตกนรกถ้าทำบุญกับรักษาศีลห้าได้ทำบุญทำทานแบ่งปันข้าวของเงินทองของที่เหลือกินเหลือใช้ของที่ตายไปก็เอาไปไม่ได้ทำบุญดีกว่าอย่าให้ลูกหลานลลูกหลานมั น, มนส่งเราไปสวรรค์ไม่ได้นะ บุญอนะส่งให้เราไปสวรรค์มัวห่วงลูกห่วงร้านแล้ว้ก็กลับมาเป็นยาจกกลับมาเกิดใหม่ก็มาเป็นขอทานพาอไม่ทําบุญเสียดายเงินห่วงลูกห่วงร้านให้เงินลูกหลานไปผานหมดลูกหลานมันก็ไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปก่อภบก่อชาติงานนี้ท่านบอกให้แบ่งไว้เป็นส่วนส่วน ส่วนแรกก็คือเลี้ยงตัวเราอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นอย่าไปคิดว่าให้เงินทองลูกแล้วเราแก่มันจะเลี้ยงเรานะมันเอาไปกินมาใช้หมดไม่งั้นก็ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาเขาไม่ก็ห่วงเราหรอกถามจริงอ่ะเขาห่วงเราหรือเขาห่วงลูกลูกเมียเขามากกว่ากันงั <c> ้ <oughs> ถ้ามีเงินทองก็เก็บไว้สาหรับ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราสำรองไว้วันข้างหน้า<บ>เผื่อวันข้างหน้าเก็บไว้เผื่อเราต่อไปหาเงินไม่ได้หาเงินทองไม่ได้เราจะได้มีเงินดูแลเราไม่ต้องมาคอยขอจากลูกขอจากหลานขอจากคนนั้นขอจากคนนี้แล้วส่วนที่สองถ้ายังมีเหลืออยู่ก็เอาไปทําบุญ ต้องจะแบ่งให้ลูกหลานบ้างก็ได้ก็เป็นบุญเหมือนกันให้ใครก็ได้ให้ลูกให้หลานก็ได้แต่ต้องให้ก่อนตายนะถ้าให้ตอนที่ถ้าให้หลังตายแล้วไม่ได้ให้แล้วต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนที่ยังเป็นของเราอยู่เวลาตายไปนี่มันไม่เป็นของเราแล้วเอาน้าจะให้อะไรให้แล้วได้บุญต้องให้ตอนที่ยังไม่ตาย เช่นคนไปบริจาคอวัยวะนี้ยังไม่ได้บริจาคเพียงแต่บอกเจตนารมว่าจะบริจาคอวัยวะเวลาที่ตายไปแล้วอย่างนี้ไม่ได้บุญเพราะว่าตัวเองไม่รู้ว่าเวลาตายไปแล้วเขาเอาไปทําอะไรหรือเปล่าเราต้องรู้รู้ตอนนี้เท่าตอนนี้มีตายสองอมีพี่มีน้องใครไม่สบายตายวาย เราบร่อยจากตายไปอันอย่างนี้เรารู้เราจะมีความรู้สึกมีความสุขที่เราได้เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีชีวิตอยู่ได้มันต้องมีความรู้สึกในตัวเราบุญนี้ต้องเกิดจากความรู้สึกเกิดจากการที่เราได้เสียสละของรักของโปรดของเราเพื่อให้คนอื่นเขามีความสุขบ้าง กนการให้ของถ้าให้ของดีนี่มันจะมีความสุขมากกว่าให้ของเลวของที่เราไม่ใช้แล้วนี่ให้คนอื่นมันไม่รู้สึกจะเสียดายมันไม่รู้สึกจะมีความอิ่มใจสุขใจเหมือนกับให้ของที่เราหวงเนี่ยของที่เรารักเนี่ยยกแฟนให้คนอื่นไปได้เนี่ยโอ้ใจจะเบาจะมีความสุขจะหายหกงังวลใช่ไหมมีแฟนกังวลไหมหวงไห หัวง้ะพอยกให้เขาไปได้เนี่ยเออขาขยอยากจะได้ก็เอาไปไปบวชได้เล ย, ยหลวงปู่ขาวท่านก็ท่านก็มีแฟนแล้วท่านไปจะาเอไปพบว่าแฟนกำลัง ม, มีชู้อยู่ตอนต้นท่านก็ถึงกับจะฆ่าเขาเลยหน้ามืดแต่พอดีได้สติท่านก็คิดว่าเขาเพียงแต่ทำแค่ประพฤติผิดประเวณี บาปยังไม่ร้ายแรงกับเราที่จะไปฆ่าเขาท่านก็เลยหยุดท่านก็เห็นโทษของความรักของความหวงความหึงหวงเห็นโทษของการมีสมบัติที่รักที่หวงคือภรรยาก็เลยไม่เอาล้ต่อไปนี้ไม่อยากจะทุกข์กับภรรยาก็เลยประกาศบอกชาวบ้านวนะ่าจะยกภรรยาให้ชู้เข้าไป ล้วตัวท่านจะขอลราไปบวช ด, ดีกว่าใช่ไหมเสียสละอย่างนี้เราจะได้ไปบวชเป้าหมายของการเสียสละของการทำบุญทำทานก็เพื่อให้เราได้ไปขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่าคือระดับของนักบวชทำบุญต้องทำบุญก่อนถึงจะไปเป็นนักบวชได้ต้องเป็นนักบุญให้ได้ก่อนต้องเสียสละได้ ถ้ายังเสียสละไม่ได้ยังหวงสมบัติยังหวงข้าวของเงินทองยังหวงอะไรต่างๆนี้ไปบวชไม่ได้ไปภาวนาไม่ได้ไปปฏิบัติไม่ได้เพราะต้องมาหวงมาหวงกับสมบัติกับคนนั้นกับคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนต้นเจ้าพูดเราวพระเจ้าสอนให้ถ้ายังไปเป็นนักบวชไม่ได้ก็ให้เป็นนักบุญก่อนให้หมั่นทำบุญทําทาน อย่ายึดอย่าติดกับสมบัติเข้าของเงินทองมีไว้ก็เอาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์กับร่างกายเลี้ยงดูปากท้องของเราและของคนที่เรามีความรับผิดชอบด้วยถ้าเรายังมีความรับผิดชอบกับใครอยู่เราเลี้ยงดูเขาได้เ้าควรจะเลี้ยงดูเขาไปถ้ามีเงินมีทองถ้ามีเหลือคิดว่าตายไปก็ ไม่ได้ใช้ก็เอาไปทำบุญเพราะการทำบุญนี้มันทำให้เราได้อาหารแก่ใจเวลาทำบุญแล้วจะมีความสุขใจอิ่มใจภูมิใจที่เราได้เสียสละสิ่งที่เราลักเราหวงไปถ้าของที่เราไม่ลักไม่หวงมันจะไม่รู้สึกภูมิใจแล้วเช่นพวกขยะนี่เวลาเราไปทิ้งนี่มันไมไ่มีความรู้สึก สุขใจได้อย่างไดแต่ของที่เราลักเราหวงนี่พอให้ใครเขาไปได้เนี่ยใจมันมันมีความสุขมากมันเป็นอาหารของใจเราจะทำให้ใจเราไม่ต้องไปซื้อยาเสพติดมาให้กับใจอะไรคือยาเสพติดของใจก็คือความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเช่นไปเที่ยวไปซื้อ ของต่างๆไปดูไปฟังไปไปลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอะไรไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสตวงนี้เป็นเหมือนยาเสพติดเสพเท่าไรมันไม่อิ่มไม่พอไม่เหมือ น, นเัาออกไปทำบุญทำบุญแล้วมันอิ่มมันพอแล้วมันจะไม่หิวกับยาเสพติดถ้าเราทำบุญแล้วเราจะไม่ติดกับการที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกาย ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆซื้อกระเป๋าซื้อรองเทาง้าซื้อเครื่องสำอางซื้อหลายร้อยแปดพันประการเพราะใจไม่หิวใจมีความอิ่มมีความสุขคนทาบุญยังอยู่แบบสมถะเรียบง่ายได้ออไม่ไม่ต้องเสริมความงามไม่ต้องหาความสุขจากการเที่ยวการ ดูการฟังมโหสถปันเถิงอะไรต่างๆแล้วจะทำให้รักษาศีลได้ง่ายเพราะหนึ่งจะไม่ต้องใช้เงินมากไม่ต้องหาเงินเมื่อไม่ใช้เงินมากก็ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อไม่ต้องหาเงินมากก็ไม่ต้องเสียงกับการไปทำบาปก่อนที่อยากยังต้องหาเงินมากเพราะใช้เงินมากอยู่ก็ ถ้าหาโดยวิธีที่ไม่ทำบาปไม่ได้ก็อาจาจะต้องทำบาปหาแบบง่ายๆเร็วๆมากๆวิธีง่ายๆเร็วๆมากๆ ก, ก็ต้องทำบาปโกหกหลอกลวงช่อโกงแต่คนที่ไม่ต้องใช้เงินมากเพราะว่ามีความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการทำบุญทำทานก็เลยไม่ต้องใช้เงินไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆ ของหรูหลาของอะไรแพงๆก็จะไม่มีความกดดันที่จะต้องไปหาเงินหาทองก็สามารถหาเงินแบบปกติโดยที่ไม่ต้องทำบาปก็จะทำให้รักษาศีลได้ทำมุญทำทานแล้วก็จะทำให้รักษาศีลได้ศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดดื่มสุรายาเมา ออไม่ต้องทำบาปตายไปก็ไม่ต้องไปอบายเวลาตายไปนี้บุญกับบาปจะมาเป็นตัวดึงใจให้ไปทิศใดทิศหนึ่งถ้าบาปก็จะดึงถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปทางอบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะดึงไปทางสวรรค์นี่คือหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วใจเรายังไม่ตาย ใจเราจะต้องไปตามบุญตามบาปถ้าบาปมากกว่าบาปก็จะดึงไปแต่บุญที่เราทำไว้ยังแม่หมดเพียงแต่ว่ากำลังมันสู้บาปไม่ได้ก็ต้องไปให้บาปดึงไปไปใช้บาปก่อนพอบาปกับบุญมันมีกำลังเท่ากันบาปจะดึงให้อยู่ในในอบายก็ไม่ได้ บุญจะดึงให้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้เพราะมันกําลังเท่ากันห้าสิบห้าสิบตอนนั้นก็มาเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี้เราอยู่ระหว่างกลางห้าสิบห้าสิบอยู่ระหว่างศูนย์ศูนย์บุญศูนย์บาปหรือ ว, ว่าบุญห้าสิบบาปห้าสิบมันดึงไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้ก็เลยต้องมารอเข้าคิวมาเกิดเป็นมนุษย์ พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเริ่มทาบุญทำบาปกันนะ้วพอตายไปบุญกับบาปก็อันไหนมีกำลังมากกว่าก็ดึงไปถ้าบาปมีสี่สิบบุญมีหกสิบบุญก็ดึงไปสวรรค์แล้วก็ไปใช้ใช้ผลบุญในสวรรค์จนกว่ามันจะเหลือห้าสิบห้าสิบมันก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่มันก็จะกลับไปกลับมาอย่างนี้ถ้าเรา อยู่ในระดับนักบุญถ้าเป็นนักบุญนี่ตายไปเราบุญเราจะต้องมากกว่าบาสนีแน่เพราะบาปเราไม่ทำมันก็เท่ากับศูนย์หรือว่าถ้าไม่ศูนย์ก็อาจจะมีของเก่าที่ยังไม่ได้ที่เราทำมาแล้วมันยังไม่ได้ไปส่งผลแต่ถ้าเราชาตินี้เราทำแต่บุญอย่างเดียวบาปไม่ทำบุญมันก็ต้องมากกว่าบาปแน่นอนเวลาตายไปก็จะได้ไป เป็นเทพชั้นต่างๆไปเที่ยวการไปเป็นเทพก็เหมือนกับไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเหมือนอเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับแล้วเราฝันดีเนี่ยเราก็ไปไปเที่ยวในสวรรค์กันเหตุที่เราตอนที่เรานอนหลับนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายร่างกายก็เหมือนมันตายไปชั่วข่าวแต่ใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจมันก็ถูกบุญส่งไปทำให้ฝันดีถ้าบุญก็จะทาให้ฝันดีเพราะว่าเวลาทำบุญทำแต่เรื่องที่ดีใจนี้เหมือนกล้องวิดีโอบันทึกภาพบันทึกเสียงเวลาเราทำบุญมันก็บันทึกภาพบันทึกเสียงไว้เวลาเราทำบาปมันก็บันทึกภาพเสียงไว้เวลาเรานอนหลับเนี่ยมันก็จะฉายภาพเหล่านี้กลับมาให้เราดู ถ้าเราไปถ่ายภาพดีๆมันก็จะถ่ายภาพดีๆให้เราดูเราก็านอนหลับเราก็จะฝันดีที่พระเจ้าบอกว่าอา น, นิสงส์ของผู้มีความเมตตาผู้ที่ทำความดีนี้เวลานอนหลับก็จะฝันดีไม่ฝันร้ายเวลาตื่นก็สุขเวลาหลับก็สุขเพราะอำนาจของบุญที่ได้ทำเอาไว้แล้วเวลาตายไปก็ได้ไปสู่สุขติเมตตา น, นิสมความเมตตาการทำความดีก็คือการแผ่เมตตานี่เองนั้นอย่าไปเข้าใจว่าการแผ่เมตตาแผ่ตอนที่นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็สวดเนี่ยเอานั้นยังไม่ได้แผ่อะไรการสวดไม่ได้เป็นการแผ่การสวดเป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาที่เราเจอกับสรรพสัตว์ทั้งหลายตอนนี้เราอยู่คนเดียวไม่มีสรรพสัตว์อยู่กับเราเราจะไปแผ่ให้ใคร เราต้องแผ่เวลาที่เราเจอคนเจอสัตว์เนี่ยให้ความเมตตาต่อเขาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งยิ้มให้เขาทักทายเขานี่ก็เรียกว่าแผ่เมตตาแนละ้วใส่บาตรพระนี่ก็แผ่เมตตาทำบุญถวายข้าวของนี่ก็แผ่เมตตาส่งของขวัญไปให้เพื่อนวันเกิดวันปีใหม่ซื้อเค้กเค้กอะไรนี่ไปอันนี้ก็แผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่มีเหตุการ ตอนที่มีพบปะกันหรือเวลาเขาทำให้เราโกรธเราก็บอกไม่เป็นไรให้อภัยกันเล่นกับฟันอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีการผิดพลาดคบกันจะไปตับลิ้นทิ้งทำไมเจบ็บยิ่งเจ็บไปเปล่าๆเป็นเพื่อนกันอาจจะโกรธกันบ้างอาจจะพูดอะไรนึือทำอะไรไม่ถูกใจก็อาจจะโกรธก็มองส่วนที่ดีของเขาเขามีส่วนที่ดีเยอะแยะ พอเขาทำอะไรไม่พอใจนิดเดียวส่วนที่ดีมองไม่เห็นเลยจะเลิกกันเลยจะเลิกคบกันเลยเฉพาะกับเรื่องนิดเดียวถ้ารู้จักให้อภัยแล้วมันก็จะไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทนี่ก็คือวิธีแผ่เมตตาทำความดีเราทำความดีอย่างนี้เวลานอนหลับเราฝันก็จะฝันดีต่างกันกับทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่แผ่เมตตาไม่ทาความดี ชอบเบียดเบียนกันชอบทําร้ายกันชอบกันแกล้งกันแกลงแย่งชิงดีกันอาฆาตพยาบาททําร้ายกันมันก็อัดแต่ภาพไม่ดีไว้ในใจเวลานอนหลับภาพไม่ดีเหล่านี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาในฝันเห็นเวลาที่เรานอนหลับนี่เป็นการดูหนังตัวอย่างของ อนาคตของเราว่าเราจะไปสวรรค์หรือไปอบายถ้าเราฝันดีนี่สบายใจได้เลยว่าต้องไปสวรรค์นเนี่ยนะถ้าเราเราับมีแต่ฝันร้ายอยู่เรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าต้องไปอบายเพราะว่ามันเป็นของที่เราสะสมไว้ในใจมันเป็นตั้งแต่เรายังไม่ตายเนี่ยร่างกายอาจจะเป็นมนุษย์ท่านว่าแต่ใจอาจจะเป็นเดรัจฉานไปแล้วก็ได้ ถ้าเราทำบาปเป็นอาจินทำบาปเป็นปกตินิ ส, สัยเช่นพวกที่ฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพอย่างเงี้ยาทำบาปเป็นประจำเลยก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ก็ต้องฆ่าเพื่อกินเพื่ออยู่รอดนคนที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ชนิดต่างๆหมูเหตุเป็ดกายปูปลาของพวกนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานนะทำเพื่อแล้งชีพ สัตว์เดรัจฉานก็กินปูกิกนปลากินหอยกินอะไรสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยนี่ถ้าทำด้วยทาเพื่อเลี้ยงชีพตายไปก็ไปเป็นเดรัจฉานทำบาปถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จิตก็จะเป็นเปรตมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากได้มากๆได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอก็ไลต้องไปทำบาป ทำงานตามปกติรายได้น้อยไม่พอใช้อยากจะใช้มากๆก็เลยต้องไปทําบาปเพื่อจะได้เงินทองมามากขึ้นท่านบอกว่าทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรตทําบาปด้วยความกลัวกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้กลัวคนนั้นคนนี้ก็ไปกําจัดเขาก็ไปทําร้ายเขาอันนี้ก็ไปเป็นอสุรกายทําบาป ด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็ไปนรกไฟใจมันร้อนใจมันใจที่เกิดจากความอาฆาตพยาบาทนี่มันเผาจิตใจเป็นไฟนรกคนเรานี่อาจจะมีร่างกายเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้อาจจะแปลพันไปแปลงพันไปนละจากมนุษย์กลายเป็นเดรัจฉานเป็นเป็ดไป ถ้าทำบาปด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ถ้าไม่ทำบาปแล้วยังไม่ได้ทำบุญก็ยังเป็นมนุษย์เท่าเดิมอยู่แต่ถ้าได้ทำบุญใจก็แปลงไปเป็นเทวดาแล้วได้ทำบุญแล้วก็ไม่ได้ทำบาปใจก็จะเริ่มแปลงเป็นเทวดาจากชั้นต่ำขึ้นไปสู่ชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆทำบุญมากขึ้นไปใจก็จะละเอียดขึ้นมีความสุขมากขึ้น ก็เป็นเทพชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆันนี้คือเรื่องของระดับนักบุญแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่านั้นเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะว่าต่อให้ทําบุญแล้วได้ไปเที่ยวสวรรค์ น, นานสักเท่าไหร่เดี๋ยวถึงเวลามันก็หมดบุญเหมือนกับเราไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวเงินทองก็หมด หมดเราก็ต้องกลับมาบ้านมาทำงานใหม่เพราะเงินหมดไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรงไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารไม่มีเงินจ่ายค่าท่องเที่ยวก็ต้องกลับมาทำงานนี่ก็เหมือนกันทำบุญแล้วไม่ทำบาปก็ได้ไปสวรรค์พอบุญที่ส่งเราไปสวรรค์หมดกาลังก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาเริ่มต้นใหม่มา มาเรียนรู้อะไรต่างๆใหม่แต่ทําบุญถ้าได้ทําบุญก็มีประโยชน์อย่างมีเงินรอเราอยู่เงินที่เราทํานี้นอกจากเอาไปเที่ยวแล้วเวลากลับมายังมีเงินรออยู่ในธนาคารอีกส่วนหนึ่งกลับมาเกิดก็จะไม่ลําบากเกิดมากั บ, บครอบครัวที่มีฐานะการเงินดีอันนี้ก็ตายก็ยังต้องมาต่อสู้มาหาอะไรทําอะไร มาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆทุกข์กับการกับภัยต่างๆภัยธรรมชาติภัยจากคนที่ไม่ดีแล้วก็ต้องมาพัดพาจากคนที่เรารักสิ่งที่เรารักมันก็เป็นทุกข์แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าเบื่อก็ต้องขยับจากการเป็นนักบุญก็ไปเป็นนักบวชเห็นไหมพวกที่เขาไปบวชกันเนี่ย ที่เขาไปจริงๆนี่เขาไปเพื่อที่จะไปหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเขาได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังว่าการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่เกิดจากตันหาความอยากสามประการด้วยกันคือการมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาถ้าอยากจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็ต้องไปกาจัดตันหาทั้งสามนี้ให้ได้ ถ้าการจะกกำจัดได้ก็ต้องถือศีลของนักบวชศีลห้ากำลังไม่พอศีลห้ายังไม่ได้กำจัดความอยากที่ละเอียดกว่าศีลศีลปศีลปนี่เป็นศีลอยงนักบวชศีล8ปศีลสศีลสองร้อี่สิบถือว่าเริ่มเป็นนักบวชแล้วถ้าเป็นนักบุญก็เริ่มหัดเป็นนักบวชก่อนในวันพระเคยถือตามปกติวันธรรมดาถือศีลห้า อวันพระก็มาหักเป็นนักบวชหนึ่งวันมาถือศีลแปดเพิ่มอีกสามข้อเปลี่ยนศีลข้อที่สจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็ข้อ6ก็ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายรับประทานแค่ครึ่งวันก็พอเื้อมือเดียวก็พอ มันจะช่วยด้วยช่วยให้การปฏิบัติธรรมนี่สะดวกขึ้นไม่ง่วงเหงาหานอนไม่เกียจค้างนั่งกินมากๆแล้วมันอิ่มมันจะขี้เกียจนั่งมันก็จะสับประงกคนที่จะภาวนาคนที่จะมาหยุดกิเลสหยุดตัณหาความอยากนี้ต้องนั่งสมาธิต้องเจริญปัญญาจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องไม่ง่วงนอนนั่งง่วงนอนมันก็จะหลับ ที่มันง่วงก็เพระมันกินมากเกินไปอ็เลยต้องกินน้อยๆกินแค่มื่อเดียวหรือไม่เกินเที่ยงวันกินพอให้ร่างกายอยู่ได้การกินการกินที่แท้จริงนี้เป็นเหมือนกับกินยากินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายแต่เรามักถูกความอยากหลอกให้เรากินตามความอยากกันกินจนกระทั่งร่างกายกลายเป็นตุ่มนะร่างกายกลายเป็นตุ่มเพราะความอยาก กินแบบ ก, กินยาไ ม, ไม่เป็นตุ่มแล้วกินวันละมือ้อสองมือก็อยู่ได้แล้วกินเพื่อเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินส่วนใหญ่มนุษย์ทุกวันนี้อยู่เพื่อกินงนันเห็นไหมร่างกายถึงเป็นตุ่มกันอันนี้สถิติของทางประเทศที่เจริญก็ว่าคนอีกเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นคนที่มีน้ำหนักเกินเมื่อสมัยก่อนสมัยเราเป็นเด็กเด็กเมืองไทยไม่ค่อยมีคนอ้วน มีน้อยเป็นของแปลกแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มจะรู้สึกจะเริ่มเป็นของธรรมดาขึ้นมาแล้วเริ่มมีจานวนมากขึ้นเพราะว่ามีกำลังความสามารถในการผลิตอาหารต่างๆมีมีกำลังที่จะซื้อกินกันได้ตลอดเวลาอาหารกินได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยมีที่เก็บมีที่แช่มีอะไรสะดวกรวดเร็ว สมัยก่อนยังต้องมาหุงต้มกันจะกินกันสักครั้งหนึ่งสมัยนี้มันกินง่ายก็เลยทำให้คนกินกันเพราะคิดว่านี่คือความสุขแต่หารู้ไมมว่ามันเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดมันเป็นความสุขที่มีบบเบ็ดเกี่ยวปากเอาเพราะมันจะมีปัญหาตามายเยอะแยะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดจากการ รับประทานมากเกินไปแล้วก็จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขวางกั้นในการที่จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้คนที่ติดกินอาหารนี่จะไปบวชนี่ต้องคิดหลายตลกลงไปบวชไหวหรือเปล่าแค่ศีลแปแค่เฉพาะวันพระก่อนอก็ต้องการซ้อมก่อนถ้ารักษาศีลห้าได้นะ้วแต่ถ้าคนทาบุญ ท, ทาทางรักษาศีลห้าได้เชื่อว่ารักษาศีลแปดได้ เพราะว่าจะเป็นคนสมถะเรียบง่ายไม่ไปกินไม่ไปหาความสุขจากการกินมากจะเกินไปมีมากก็เอาไปทำบุญดีกว่าให้มันอ้วนทางใจดีกว่าดีกว่าอ้วนทางร่างกายอ้วนทางใจนี้ไม่มีไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ใจอ้วนใจอิ่มนี้ใจมีความสุขก็จะกำลาพวกความอยากต่างๆได้ในระดับหนึ่ง นี่คือเรื่องของนักบุญจากนักบุญก็ขยับขึ้นเป็นนักบวชตอนต้นก็ลองเอาแค่วันละอาทิตย์ละครั้งก่อนวันพระหรือวันหยุดสมัยนี้วันพระกับเราวันหยุดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องเอาวันหยุดทํางานนี่แหละเพราะสมัยก่อนวันพระก็เป็นวันหยุดทํางานแต่สมัยนี้เราเปลี่ยนวันหยุดทํางานไปตรงกับวันเสาร์อาทิตย์แทนวันพระของเราก็เลยไม่ตรงกับวันหยุด ถ้าจะมาถือวันพระเป็นวันที่เราจะมารักษาศีลแปมันก็จะยากเพราะเราต้องไม่ทำงานเราก็เปลี่ยนวันพระของเรามาเป็นวันหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันที่เราไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปยุ่งกับใครเราก็อยู่บ้านของเราถือศีลแปดหรือไปวัดได้ไปอยู่วัดก็ได้ไปถือศีลแปดที่วัดนักศีลก็อหกแล้วศีลขเจ็ด ก็คืองดเว้นการเที่ยวการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจหมูกลิ้นกายไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงงานบันเทิงไม่เสริมสวยความงามแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทําเผาทําผมใช้น้ํามันใช้น้ําหอมอะไรต่างๆอะไนี่เป็นความสุขปลอมความสุขประเดียวกับดาว เดี๋ยวกลับมาบ้านนอนก็ต้องกต้องล้างหน้าไปหมดนะผมเเผ้าก็ทำถ้าเป็นแทบตายก็ยุ่งใหม่เราก็ไม่ให้นอนมากเกินไปไม่นอนมันฟูกหรืหนัเตียงใหญ่ๆเพราะว่านอนถ้ามันนอนสบายมันจะเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วมันจะไม่ลุกเวลานั่งเวลาตื่นขึ้นมานี้แสดงว่าร่างกายได้พักพอแล้ว แต่ถ้ามันเตียงมันนุ่มมันสบายก็ไม่นุกนอนต่อต่ออีกสามสี่ชั่วโมงธรรมดาร่างกายนี้ถ้าได้นอนสี่ห้าชั่วโมงนี่ก็จะเต่นขึ้นมามันได้พักพอแต่พอเต่งขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆก็นอนต่อแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆมันก็จะไม่นอนมันไม่สบายลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมดีกว่า เพื่อจะได้ตัดพบตัดชาติตาดการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยการถือศีลแปดนี้ก็เพื่อให้เรามีเวลามาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญามาฟังเทศฟังธรรมถ้าเราไม่กำจัดห้ามกิจกรรมเหล่านี้เราจะไม่มีเวลาเดี๋ยวถ้าไปกินเลี้ยงกันไปเที่ยวกันก็ไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมกลับมาบ้านก็เหนื่อยอยากจะนอนแนละ้ว นั่งสมาธิก็สกงบแต่ถ้าถือศีลแปดแล้วก็ไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านหรืออยู่วัดอยู่ที่สงบคนเดียวไม่มีใครมารบกวนตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปนี่เราก็จะไม่มีภา ร, ะ, ร ะ, ะอะไรต้องกังวลแล้วภาวาระาภาร ะ, ะทางร่างกายเราก็ได้ดูแลแล้วได้กินอาหารเรียบร้อยแล้ ว, วก็จะมีเวลาว่างไปถึงเวลานอนเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติไปก่อน เพราะการจะนั่งสมาธิถ้าจิตสงบได้ต้องมีสติยับยั้งความคิดปูงแต่งต่างๆถ้าไม่มีสติความคิดมันจะไม่หยุดคิดมันจะคิดไปเรื่อยๆเราต้องมาฝึกสติหยุดความคิดกันก่อนพอเราฝึกสติหยุดความคิดได้เราก็นั่งสมาธินั่งสมาธิได้จิตก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ไดจากการไปเที่ยวไปกินไปดืม่ม ผ่านทางร่างกายสุกกายสู้สุขใจไม่ได้สุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขเนื้อกว่าเนื้อความสุขทั้งปวงนัติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีพยายามเข้าให้ถึงความสุขันนี้ให้ได้จะเข้าได้ก็ต้องหยุดการหาความสุขทางร่างกายด้วยการถือศีลแปดแล้วก็ขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติ พุโทโธพุโทโธไปการบริกรรมพุโทโธนี้จะทำให้เรามีสติหยุดความคิดได้เพราะเวลาเราพุโทโธพุโทโธเราจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีพุโทโธเดี๋ยวก็คิดถึงคนนัน้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เวลานั่งสมาธิมันก็คิดต่อมันไม่หยุดคิดแต่ถ้าเรามีสติคอยพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็หยุดคิด เวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมจะดิ่งเข้าสู่ความสงบพอเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะเจอความสุขอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะไปต่อสู้กับความอยากที่จะหาความสุขในรูปแบบอื่นต่อไปความสุขเก่าๆที่เราเคยหาเรายังมันยังไม่ตายไปจากกำลังของสมาธิมันจะตายต้องเกิดจากกำลังของปัญญา ปัญญาจะเป็นผู้วิเคราะห์ให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเวลาได้มันมาก็ดีใจมีความสุขเวลามันหมดไปก็ร้องห่มร้องไห้กันเสียอกเสียใจกันทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทุกอย่างที่เราหาไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ บุคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นของชั่วคราวนั้นมันให้ความสุขชั่วคราวพอมันเสื่อมหรือมันหมดไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่เปลี่ยนไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดเวลาไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่มันไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ มันต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมนี่คือปัญญาถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะหยุดความอยากได้เอาของที่เราควบคุมได้ดีกว่าสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือความสุขทางใจเนี่ยความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เราควบคุมได้ควบคุมด้วยสติควบคุมด้วยปัญญาพอเรามีปัญญาเราตัดความอยากได้ จิตจะสงบไปตลอดที่มันไม่สงบก็เพราะตัวความอยากนี่เองเวลาออกจากสมาธิมาพออยากกินกาแฟใจสั่นละเวลานั่งสมาธิความอยากมันไม่โผล่เพราะมันถูกสติกดเอาไว้แต่พอออกมาออกมาไ ป, ไ ป, ไปคิดถึงกาแฟก็อยากดืม่มพออยากดืม่มใจใจก็เริ่มสั่นละมือไม้ก็เริ่มสั่นละต้องรีบไปหามาดืม่มละ ก็ ค, คิดว่าเดือดต้มีความสุขหายสั่นแต่ก็สุขเดียวเดียวเดือดริดของกาแฟหมดไปความอยากเดือดก็โผล่ขึ้นมาอีกมันก็จะต้องดื่ดไปไม่มีวันสิ้นสุดยังพอเราออกจากสมาธิมาถ้าเกิดความอยากเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าวิธีแก้ความอยากวิธีแก้ใจสั่นก็คืออย่าไปทําตามความอยากมันสั่นเราก็พุโทโธใส่มันไป พูโทรพโทรไปเหนียวพอลืมเรื่องกาแฟไปก็หายสันแล้วต่อไปความอยากมันจะไม่มารบ ก, กวนใจเราอีกต่อไปเลิกดื่มกาแฟได้เลิกสูบบุหรี่ได้เลิกเที่ยวได้เลิกกินเลิกดูเลิกฟังได้หมดไม่ต้องการอะไรต้องการความสงบอย่างเดียวพอพอมีความสงบอย่างเดียวไม่มีความอยากความต้องการอะไรก็ไม่ต้องมาเกิดใหม่ ไม่ต้องมีมามีร่างกายมามีตาหูจมูกลิ้นกายที่เรายังมาเกิดกันอยู่เพราะยังอยากกันอยู่อยังตัดความอยากไม่ได้ยังอยากดูยังอยากฟังอยากเที่ยวอยากเล่นกันอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายกันก็เลยต้องมีร่างกายร่างกายตายไปก็ต้องไปรอเข้าคิวไปรับร่างกายอันหนึ่งก่อนจะไปรับร่างกายใหม่ก็ถ้าบุญมากกว่าบาปก็ต้องไปรับผลบุญก่อน ถ้าบาปมากกับบุญก็ต้องไปรับผลบาปก่อนจนกับบุญกับบาปเท่ากันก็มารอรับร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็มาหาความสุขจากทางร่างกายอาหาโดยวิธีไม่ทำบาปไม่ได้ก็ต้องหาโดยวิธีทำบาป พ, พวกที่ได้ทำบุญก็ไม่ต้องหาโดยวิธีทำบาปเพราะมีเงินสะสมเอาไว้ก็ใช้เงินเก่าไปได้แล้วก็จะมีนิสัยติดมา เคยทำบุญก็จะชอบทำบุญกลับมาเกิดก็จะมาทำบุญต่อพวกที่มีนิสัยชอบทาบาปกลับมาก็จะทำบาปต่อเพราะหนึ่งไม่มีเงินไม่มีเงินรออยู่แต่ต้องมีเงินใช้เมื่อไม่มีเงินใช้หาเงินโดยวิธีทำบาปไม่ได้หรือได้น้อยก็ต้องไปทำบาปเพราะมีนิสัยติดมาคนที่เคยทำบาปก็จะติดนิสัยจะกลับมาทำบาปต่อคนที่ทาบุญก็จะกลับมาทาบุญต่อ คนที่ไปบวชก็จะกลับมาบวชต่อถ้ายังไม่ไม่ไม่สำเร็จชาตินี้ก็ตายไปชาติหน้ากลับมาเดี๋ยวก็กลับมาบวชใหม่กลับมาถือศีล8ศีลสิใหม่ศีลรี 2, 27, ิบเจใหม่มันทำอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัยชาตินี้ใช้มือขวาชาติหน้าก็กลับมาก็จะใช้มือขวาอีกเคยถนัดอะไรมันจะใช้ตามนั้นไปเพราะคนที่ใช้นี้ไม่ใช่ร่างกาย คนที่ใช้นี่คือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายชอบสีอะไรก็จะมาชอบสีนั้นเกลียดสีอะไรมันก็จะเกลียดสีนั้นชอบรถอะไรมันก็จะชอบเกลียดรถอะไรมันก็จะเกลียดเหมือนเดิมสังเกตดูของพวกนี้ต้องมีใครสอนนําให้ชอบใช่ามมันมันติดมากับเรามันเรียกว่าเป็นเป็นนิสยัยเป็นสันดานถ้านิสัยดีแล้วก็เรียกว่าบุญบา ร, รมี ถ้าถ้านิสัยไม่ดีแล้วก็เรียกว่ากรรมบาปกรรมถ้าชอบทําบาปทากรรมชอบดื่มเชราเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนครบคนไม่ดีเป็นไม่มีความเกียจค้านนี่อันนี้เรียกว่าบาปกรรมนิสัยไม่ดีถ้าชอบทําบุญชอบฟังเทศฟังธรรมชอบปฏิบัติธรรมชอบรักษาศีลยนี้เรียกว่าบารมี บารมีสิมีเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเมขมะบาลามีโอเบขาบาลมีปัญญาบารมีอันนี้มาจากการที่เราได้ทำมาเคยทำอะไรมามันจะติดเป็นนิสัยจะติดมากติดน้อยก็อยู่ที่ทำมากทำน้อยถ้าทำมากมันก็จะเป็นนิสัยมากขึ้นจนกลายเป็นสันดานไปก็มี พระพุทธเจ้าเนี่ยติดนิสัยในทางสร้างบุญบรารมีจนเป็นสันดานมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีทางมีโอกาสจะไปเป็นมหาจักรพรรดิได้ก็ไม่ไปหมอนูก็ททำนายว่ามีมีการเป็นไปได้สองทางไปเป็นพระพุทธเจ้าหรือไปเป็นมหาจักรพรรดิแต่สันดานของพุทธเจ้าจะไปทางมหาจักรพรรดิไม่ไปทางเป็นพระพุทธเจ้า ก็เลยสละราชสมบัติได้เพราะท่านเคยสร้างบุญสร้างบารมีทำบุญทำทานมาทุกภพทุกชาติชาติสุดท้ายก่อนจะมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เป็นพระเวชสัรดอนทำบุญทำทานอย่า ง, างเต็มที่เต็มร้อยพอตายไปก็ไปสวรรค์ก่อนพอ ลงมาจากสวรรค์มาก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีสมบัติรออยู่แล้วมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีอะไรรออยู่มีของดีของอะไรต่างๆคอยรับใช้ไม่ต้องหาอะไรเลยพ่อหามาให้ทุกอย่างพ่อไม่อยากให้ไปลำบากไม่อยากให้เห็นความทุกข์เพราว่าเห็นความทุกข์แล้วเดี๋ยวจะเบื่ออยากจะออกจากวังไปบวชเนแต่จะห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่ พออยู่ในวังมันก็เบื่อก็ต้องหนีออกไปเที่ยวนอกวงังพอออกไปนอกวังก็เห็นสัตว์จะทำความจริงของชีวิตเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชก็เลยได้ปัญญาขึ้นมาว่าต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากจะทุกกับความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่อยากจะกลับมาแก่เจ็บตายก็ต้องไปเป็นนักบวช เพรนักบวชเขากําลังหาวิธีที่จะไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็เลยรู้ว่าอยู่ในวังก็ต่อไปก็ต้องแก่เจ็บตายถึง แ, แม้ว่าจะสุขอย่างไรมันก็ไม่ไม่พ้นว่าจะต้องพ้นข้อจากความทุกข์เหมือนอยู่ในกรงทองมันก็ยังต้องอยู่ในกรงถูกขังถูกความแก่ความเจ็บความตายขังอยู่ ท่า น, นก็อยากจะหนีจากกงนี้ออกไปก็เลยไปไปบวชไปบวชก็ไปหัดบินนักบวชก็ออกจากกงแล้วแต่อย่างบินไม่ได้ต้องหัดบินหัดภาวนารับษาศีนั่งสมาธิปัญญาพอบินได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องกลับมาเข้ากองอีกต่อไปได้บุดพ้นได้ตัดรู้ด้วยตนเองเพราะไม่มีใครรู้วิธีบินบินแบบไม่ต้องลงมา รู้แต่บินได้ชั่วคราวแล้นั่งสมาธินี้ก็เหมือนบินออกจากลนี้ออกจากความทุกข์ได้ชั่วคราวออกจากกรงได้ชั่วคราวเวลาจิตสงบนี้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเลยแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ทุกข์ขึ้นมาอีกก็เลยต้องหาวิธีทำไงไม่ต้องทุกข์กับมันเวลาที่ไม่ได้เข้าไปในสมาธิก็ค้นพบว่าความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เอง พออยาก้ามันก็ทำให้ทุกข์แต่พอเห็นว่าอยากยังไงมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีสู้ยอสู้ยอมยอมมันดีกว่าพอยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายมันก็ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะหยุดความอยากได้นี่ก็คือระดับของนักบวชที่ที่พวกเรา ที่เป็นนักบุญการกับขยับขึ้นไปต่อไปหรือเป็นนักบวชแล้วก็ขยับให้มันกระชับมากขึ้นให้มันปฏิบัติได้มากขึ้นตอนนี้ยังอาจจะเป็นแบบชั่วคราวอยู่สามวันดีสี่วันไค่สามวันเป็นนักบวชสี่วันเป็นนักบุญ <c oughs> ยังสลับกันไปต่อไปต้องให้มันเป็นนักบวชทุกวันนักบวชทุกวันถ้าเป็นนักบวชทุกวันนีเดี๋ยวเจ็วันก็บิดได้แนละ้ว ไม่เจ็ดวันก็เจเดือนไม่เจดเดือนก็เจ็ดปีบนเข้าสู่มรรคผลนิพพานเข้าสู่อริยมรรคผลประสบอริยภูมิสู่พระโสดาบันพระสกิดากรมีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ทิ้งโลกของการเวียนว่ายตายเกิดไป อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนา ที่สอนสองระดับด้วยกันระดับนักบุญกับระดับนักบวชเนี่ยแตหลวงตาเวลาท่านแสดงธรรมท่านนักจะแยกคนฟังเพราะว่ามันเป็นคนระดับกันเด็กประถมกับเด็กมัธยมนี่มาเรียนรวมกันแล้วมันจะเหมันจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ถ้าสอนระดับมัธยมให้เด็กประถมฟังก็ทําไม่ได้ถ้าสอนระดับประถมให้เด็กมัธยมเด็กมัน ก, มนก็มันก็ผ่านมาแล้ว มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเหลาสแสดงธรรมกับพระนี่เช่อสแสดงธรรมหนักไปทางด้านปฏิบัติทำด้านทุดงเขาวัดด้านศีลส่วนในทางของญาติโยมนี่ก็พวกนักบุญก็สอนให้ทำบุญให้ระเวณบายามุกให้มีศรัทธาเชื่อในบุญในบาปเชื่อในนรกในสวรรค์เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นความจริง ทำไมต้องทำบุญเพราะจะได้ตายไปจะได้ไม่ต้องไปไปไ ป, ไปเป็นขอทานไม่ทำบาปจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายกลับมาก็จะกลับมาเกิดดีกว่าเก่าถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องไปเป็นนักบวชไปกำจัดความอยากทั้งสามคือกมามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา กามตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกามภาวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่ไม่ไม่เป็นในสิ่งที่เราไม่ต้องการเช่นไม่อยากจนไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมีความอยากเหล่านี้มันก็จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาจะทำให้มันหนี หนีไปเกิดใหม่พอแก่เจ็บตายก็ค่าตัวตายกันฆ่าตัวตายมันเดียวมันก็กลับมาเกิดใหม่ก <c oughs> ารวิธีจะไม่กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องไม่หนีปล่อยมันแก่เจ็บตายไปใจเฉยๆถ้าใจมีความอยากหนีหรืออยากไปมันก็จะพาให้ต้องไปเกิดใหม่อยู่ดีเั <c oughs> ้นเวลา <c oughs> เวลานั่งกายแก่ทุกอย่า ง, งก็ต้องอยู่กับมันไปมันไม่ทุกข์มากถ้าใจเราไม่มีความอยากไม่แก่ <c oughs> มันเจ็บมันจะไม่เจ็บมากถ้าเราไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปเวลาตายจะไม่ทุกข์มากถ้าไม่มีความอยากไม่ตายปล่อยมันตายไปมันนอนหลับเท่านั้นเองเพียงแต่ไม่หายใจเ น, นพอไม่หายใจก็ตายการตายกับการนอนหลับนี่เหมือนกัน <c oughs> ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าเวลาตื่นขึ้นมานี้ ถ้านอนหลับก็ตื่นขึ้นมาก็ยังมีร่างกายอันเก่าอยู่ถ้าถ้าตายไปก็ตื่นขึ้นมาถ้ายังกลับมาเกิดก็จะได้ร่างกายอันใหม่ไปเปลี่ยนร่างกายแก่แล้วไปเอาร่างกายใหม่ดีกว่านี่เป็นการเปลี่ยนอวัยวะสามสิบสองอันเลยไม่ต้องมาเปลี่ยนทีละทิ้นเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับให้มันเสียเวลาเปลี่ย น, นทีสามสิบสองอาการเลยไปเอาร่างกายอันใหม่ เหมือับไปเปลี่ยนรถใหม่เนละแทนที่จะก็คอยซ่อมอยู่นั่นนะซ่อมรถเก่านี้มันเบื่อไหมซ่อมได้สองสามวันเสียอีกละ เ, เดี๋ยวซ่อมอันนี้เดี๋ยวก็ไปเสียอันนู้นอพอไปซื้อรถใหม่มาแนมะ่ขับสบายไม่ต้องซ่อม อ, อันนี้ถ้ายังอยากจะกลับมาเกิดอยู่ก็ถึงเวลาตายก็คิดว่าเป็นการไปเปลี่ยนร่างใหมอ่อยากจะได้ร่างดีก็รีบทําบุญยเยอะอยากทาบาป เดี๋ยวไปได้ร่างกายของสี่เท้ามา mm hmm. อย่าไปทำบาปแล้จะเวลากลับมาเกิดจะได้เกิดเป็นมนุษย์ mm hmm. นี่ก็คือเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นกันมาก่อนถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้เราเคยเรียนในมหาวิทยาลัยระดับต่างๆแล้ว mm hmm. เขาเขาสอนความ ร, รู้เหล่านี้หรือเ่า เขไม่สอนเขาไม่มีใครรู้ขนาดลำดับหนึ่งเอ็มไอฮาวานี่เขาก็ไม่สอนเขาไม่เชื่อด้วยซ้ำไปเขาไม่รู้ว่ามีเสียด้วยซ้าไปเขาคิดแค่ว่าเป็นเรื่องงมงายเสยอีกพวกที่ไปว่ามีนรกมีสวรรค์เนี่เพราะหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือคนไปวาดภาพนรกสวรรค์ผิดเนี่ยไปวาดว่าโอ้สวรรค์อยู่บนท้องฟ้ามีมีนางฟุงนางฟ้าติดปีดบินกันว่อนไปหมด ก็ <c oughs> ส่งจะหลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ไม่เห็นมีสักตัวนี่สวรรค์มันอยู่ในใจนรกอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใจนี่แหละเป็นเหมือนกับเวทีละครที่เขาสามารถจัดฉากให้เป็นสวรรค์ก็ได้จัดฉากให้เป็นนรกก็ได้เห็ไหมเวลาเราไปดูละครดูยิ้วเนี่ยสมัยก่อนเด็กๆใครไปดูยิ้วเขามีฉากเย ฉากเวลาฉากอยู่ในบ้านในเมืองก็ฉากนี่ยเวลาฉากออกไปข้างนอกมีภูเขามีต้นไมกก้เขาก็มีฉากจิต<ม>เรานี่แหละเป็นตัวสร้างฉากต่างๆสร้างบุญสร้างนรกสร้างสวรรค์ยันขึ้นมาด้วยการกระทําของเรานี่แหละการกระทําความดีแล้วก็จัดฉากให้เป็นสวรรค์ขึ้นมามีแต่ของดีๆของสวยๆงามๆให้เราได้ดูได้เห็นเวลาเราไปทําบาปล้วก็จัดฉากไม่ดีขึ้นมา นี่หละใจเ่านี่หล ะ, ละคือตัวที่เป็นสวรรค์ที่เป็นนรกที่เป็นเทวดาหรือเป็นอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่สถานที่กรรมจึงมีจริงไอ้กฎแห่งกรรมยังมีจริงทำบุญทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เราก็ไปคิดว่าทำดีต้องรวยต้องได้ตําแหน่งสูงๆอันนี้ก็ไม่ใช่ะอันนี้เป็นอาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะมันไม่ได้เป็นผลจากการทำความดี ความดีทำแล้วจะให้จิตมีความสุขตื่นก็สุขหลับก็สุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายตายไปก็ไปสู่สุคติอันนี้ต่างหากคือผลของการทำความดีอันนี้สมของคนทำความดีทำบาปก็ต้องมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายใจไม่ไม่รู้จักจบแล้วตายไปก็ยังต้องไปเกิดในอบาย อ, อันนี้แหละคือผลของการทาบาปทาความชั่วส่วนเรื่องรวยจนนี่มันไม่ได้อยู่ที่บุญหรือบาป โดยหลักรวยรวยพร่โกงก็ได้ดรวยพ่อทําบาป ก, ก็ได้จนเพราะทําดีก็ได้คนคนทําดีจนเพราะอะไรทําบุญหมดมีเงินเท่าไหร่ก็ทําหมดพระพุทธเจ้านี่จนไหมเนี่ยเจ้ชาชายเศรษฐะจนไหมมีเงินเท่าไหร่ก็บริจาคหมดเสะละราชสมบัติไปเป็นขอทานนะนีน่คนเราเข้าใจผิดบ่นกันว่าทําดีแทบตายไม่ได้ดิบได้ดีเลย คนคนทำชั่วได้ดีมีถมไป mm hmm. ก็เลยไม่เชื่อบุญ mm hmm. เชื่อบาปเปันเวลาอยากทำบาปมันสนุกกว่ามันได้กำไรกว่า mm hmm. อันนี้เพราะว่าไม่มีใครสอน mm hmm. ไม่มีใครบอกอย่างถูกต้องช mm hmm. าวพูดเราเองบางทีก็อธิบายให้เขาฟังไม่ได้ว่าทำดีแล้วมันดียังไง mm hmm. เพราะตัวเองยังไม่ทำพอให้เห็นว่าความดีมันอยู่ตรงไหน ก็ยังคิดว่าทําดีก็อยากจะรวยเองในวันนี้ก็วันมาใส่บาทกันเพราะเย็นนี้เดี๋ยวหวยออกกันเนี <c> ่ย <oughs> ทําบุญใส่บาทแล้วเดี๋ยวพอบ่ายนี้แทงหวยมันมันจะได้ถูกหวยกันนะอ่านี่เป็นความเข้าความคิดของชาวบ้านชาวพุทธของเราทีความความรู้ระดับชาวบ้านเป็นอย่างเนี้ทําบุญแล้วจะรวยทําบุญแล้วจะสบาย มันก็ไม่ัมนไม่เป็นพอไม่เป็นมันก็มันไม่เชื่อบุญเชื่อบาปกันเห็นคนทำบาปแล้วมันรวยมันสบายกันทำบาปดีกว่าช่อโกงดีกว่ารับทรัพย์ดีกว่าประพฤติผิดตัเวณีดีกว่านั่นแหละเพราะมันมองผิดมันจับแพะมาชนแกะกั น, นเหตุผลไม่ตรงกันเหตุผลของบุญของบาปต้องอยู่ที่ใจเป็นหลักที่ร่างกายนี้เป็นส่วนส่วน ผลพลอยได้อ่าจะได้ก็มีเช่นทําความดีคนก็เห็นเขาก็สนับสนุนเรายกย่องสรรเสริญให้รางวีรางวัลแล้วก็มีอแต่ทําความดีแล้วไม่มีคนเห็นก็มีเยอะแยะไปเออคนทําบาปแล้วไม่มีใครเห็นก็มีเห็นแต่ทําดีเล็กเลน้อยๆเวลาทําดีก็เรียกช่งางภาพมาถ่ายรูป <laughs> ไปติดไว้ในหนังสือพิมพ์อย่างนี้ <laughs> อ๋คนเข้าเหตุเข้ากัเลยยกย่องสรรเสริญโอ้ยคนนี้ดีนะทำบุญอย่างนู้นอย่างนี้แต่เวลาทำบาปไม่เรียกช่างกล้องมามาถ่ายเวลาโดยได้เงินทองมาอย่างไงไม่มีไม่มีใครรู้พอเอาเงินทองที่โกมาทำบุญนิดหน่อยถ่ายรูป ก, กันใหญ่เลยอันนี้ไม่ใช่เป็นผลบุญผลบาปขอให้ดูที่ใจทำบุญเราจะมีความสุขใจอิ่มใจทำบาปเราจะมีความทุกข์ใจ ร้อนใจใจจะร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลหวาดกลัวคนที่ไม่ทำบาปนี่นอนหลับสบายนี่คือเรื่องของอคำสอนพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทาบุญกันในสองระดับระดับแรกก็ทำบุญระดับของนักบุญพอพ อ, พอทำได้แล้วก็ขยับขึ้นสูน่ระดับของนักบวชต่อไป คนนักบุญนี่ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องขยับขึ้นไปเป็นนักบวชเริ่มหัดเป็นนักบวชในอาทิตย์ละหนึ่งวันก่อนวันหยุดทางานถ้าหยุดสองวันก็เอาสองวันเลยไม่ต้องไปเที่ยวการไปเที่ยวเป็นการไปสร้างพบสร้างชาเพราะมันจะติดเที่ยวเที่ยวแล้วก็อยากจะเที่ยวตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้ไปเที่ยวใหม่ ถ้าหยุดเที่ยวมันก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไปเที่ยวใหม่หยุดเที่ยวเอาเวลาไปหยุดความอยากอย่างอื่นให้หมดทำใจให้สงบพอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปความทุกข์เกิดจากการมาเกิดนี่ทุกย่อมมีแต่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ พระุธเจ้าพาระลานตาสาโลกนี้ไม่มีความทุกข์แล้วเพราะท่านไม่กลับมาเกิดแล้วเพราะท่านได้กําจัดความอยากทั้งที่มีอยู่ในใจให้หมดไปแล้วใจที่ไม่มีความอยากนี้กอได้ชื่อว่านิพพานไม่ใช่เป็นสถานที่สวรรค์ไม่ใช่เป็นสถานที่นิพพานไม่ใช่เป็นสถานที่นรกไม่ใช่เป็นสถานที่อาจจะเป็นเป็นฉากของเวทีละครใจเราเป็นผู้สร้างฉากเหล่านี้ขึ้นมา ก็ขอให้พวกเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพราะถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้พิสูจน์ความเชื่อนี้อาจจะจางหายไปได้ถ้าเราไปไปอยู่ห่างไกลจากศาสนาไปทำภารกิจไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวไม่ได้อยู่ใกล้เดี๋ยวลืมความเชื่อก็อาจจะอาจจะเสื่อมไปจางไปหรืออาจจะไปเห็นสิ่งที่อาจจะทาลายความเชื่อเรา ก็ได้คืออาจจะเห็นคนที่ปฏิบัติแล้วกลับไม่ได้ดิบไม่ได้ดีอะไรก็อาจจะทำให้เราคิดว่าทำบุญไปแล้วลไร้ประโยชน์นต่เราดูที่ใจใจของคุณอเอนงมองไม่เห็นเราเราดูที่ใจเราก็พอต้องทำต้องปฏิบัติมันถึงจะเห็นความจริงเห็นผลแล้วมันจะเชื่อมั่นในในคาสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นสวาขาโตพระกวตาธรมโมันเป็นธรรมที่ตัดไปชอบแล้วตรงกับความเป็นจริงทุกประการคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพินิสพิจน า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญทางด้านจิตใจที่จะตามมาต่อไป ก, ก็ขออนุโมทนา ยะถาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปการปติอิทิตังปัติตังตุมหังคิดวเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะอระโสยะถามณนิโชติ อระโสยะธาสพภิตโยวิวัจจันโตสัพพโลกวินาศตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทธะนิจจังอุทาปะจายิโนจตารูธรรมาวาทานติอายุวโนสุขัง พลามีใครอยากจะถามอะไรไหมงสงสัยอะไรหรือเปล่าเ mm hmm. ชื่อหรือย่างว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง mm hmm. เราเกิดมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยน้ําตาที่ร้องไห้เนี่มารวมกันมากก็ยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรเอง เกิดตายเกิดตายเกิดมาแล้วก็ร้องไห้น้ำตาที่เราร้องนี่มารวมกันนี้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเน่งพระพุทธเจ้าบอกน่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ายังตัดความอยากไม่ได้ยังอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่อยู่แล้ว mm hmm. เดี๋ยวก็น้องตายไปก็ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ ทำบาปเวลาตายไปกัก็เหมือนนอนหลับฝันทำบาปก็ฝันลายทำดีก็ทำดีก็ฝันดีจนกว่าจะตื่นขึ้นมาเกิดใหม่ก็ได้ร่างกายใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่กาตายการเกิดก็อย่างนี้ระหว่างที่ตายไปแล้วยังไม่ได้เกิดก็เหมือนกำลังฝันไปฝันดีก็อยู่สวรรค์ฝันร้ายก็อยู่อบาย พ อ, อ ไ, ได้ร่างกายใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายใหม่ ห, اد, หากินหาอยู่ใหม่แล้วก็มาทุกข์กับมันทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้น้อ ง, นนองผมน้องไายกันไปความสุขได้เล็กๆน้อยๆได้ไปเที่ยวเียวเดียวแต่งงานกันสุขไม่กี่วันอยจางนั้นก็ต้องมาทุกข์กัน่ะ มาห่วงกันมาห่วงกันมากังวลกันแลก็เวลาจากกันก็ร้องห่มร้องไห้กันถ้ายังไม่ตัดความอยากมันก็จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยเชิญเชิญตามสบา ย, ย, ยไม่ต้องขอละกหยิบไปเลยแจกไม่ใช่ของเราของญาญโยญาญโยเป็นคนพิมพ์หนังสือแจก เป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมะมีคุณค่ามากกว่าของทั้งปวงของทั้งปวงนี่ดับความทุกข์ไม่ได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้มีธรร ม, มะเท่านั้นที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ดับความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านยังร้องห่มน้องไห้เลยเชื่อหมอ แล้วมันเงินทองมันดับความทุกข์ได้ไหยไม่ได้ดับความกลัวได้ไหยไม่ได้ดับแต่ธรรมะคุณตจ้านี่ดับความกลัวได้คนมีธรรมะจะไม่กลัวอะไรจะไม่ทุกข์กับอะไรไม่ทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายไม่ทุกข์กับการนินทะนินทาของผู้ก่อรหานินทาอว่ากล่าว ให้ร้ายป้ายสีไปเฉยๆเรื่องของปากหมากระว่าไปหมามันอยากจะเห่าก็ปล่อยมันเห่าไปใช่ไหมก็เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราจะไปกลัวทําไมใช่ไหมธรรมะเนี่ยวิเศษการให้ธรรมะถึงชนะการให้ทั้งปวงเพราะจะทําให้คนที่มีธรรมะนี่ดับความทุกข์ได้ ให้เงินให้ทองก็ดับความความทุกข์ทางร่างกายได้เท่านั้นไปซื้อข้าวมากินก็ดับความหิวทางร่างกายได้แต่ความทุกข์ทางใจก็ยังอยู่ความกลัวตายก็ยังอยู่แต่ถ้าได้ธรรมะแล้วความกลัวตายจะไม่มีความความทุกข์กับทางร่างกายจะไม่มีร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็ไม่ทุกข์กมันา ก, การให้ธรรมะถึงวิเศษ เราไม่มีธรรมะของเราเองเราก็เลยต้องเอาธรรมะของครูบาอาจารย์มาพิมพ์มาแจกกันหนังสือประวัติปฏิปทาของพระธุดงค์นี่ก็ของหลวงตามหาบัวท่านเขียนวิธีปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ต่างๆให้เราดูเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างเพื่อเราอยากจะได้ธรรมะแบบท่านเราก็ต้องปฏิบัติแบบท่านถ้าเราไม่ได้อ่านเราจะไม่รู้วิธีการปฏิบัติต่างๆ ขอให้เรายินดีในธรรมเพราะการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงยินดีในธรรมดียินดีการยินดีกับภาพยนตร์ยินดีกับภา พ, พยนตร์ ก, พพก็ได้ความสุขไปเดี๋ยวระดาวชั่วแค่ดูเท่านั้นเองพอหนังจบแล้วก็หมดไปยินดีในธรรมนี้มันจะสุขไปตลอดนิพพานังบรมังสุขขังใครมี ทำอยู่ในใจแล้วใจจะเป็นนิพพานขึ้นมาจะเป็นบรมมัสุขไปตลอดเวลาจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจก่อนที่มีความสุขจากการดูหนังก็จะมีความทุกข์กับการรอหนังเรื่องใหม่เมื่อรจะออกมาสักทีดูหนังตัวอย่างแล้วแม่มันยังไม่มาสักที <c oughs> ดูกี่เรื่องมันก็เหมือนกันะดูจบแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวก็อยากจะดูเรื่องใหม่ต่อรอดูเรื่องใหม่ต่อ พอไม่ได้ดูก็เสียใจ <Yeah. S 1> มีคำถามทางบ้านไหมคำถามจากผู้ฝากถามใช้บริกรรมพุทโธเป็นอุบายเครื่องหยุดคิดและรู้สึกว่าจิตไม่สั่ใส่ไปภายนอกสงบถามว่าถึงจุดนี้สามารถใช้ปัญญาสอนจิตเรื่องสภาวะธาตุสภาวะธรรมได้เลยทีเดียวหรือไม่คะยังครต้องไปนั่งสมาธิก่อน นั่งให้จิตนิ่งรวมร่างกายหายไปเลยเหลือแต่ผู้รู้สักแต่ว่าจิตเป็นอุเบกขาถึงจะเรียกว่าได้สมาธิเต็มเต็มรูปแบบเต็มร้อยถ้ายังไม่ได้เต็มร้อยกำลังจะไม่พอที่จะไปสู้กับกิเลสยังให้พยายามฝึกสมาธิก่อนตอนนี้เหมือนเราอยู่ในระดับปฐมพยายามเรียนชั้นปฐมให้มันจบก่อนหกชั้นเนี่ยเรียนไปอย่าก้าวขึ้นไปชั้นมัธยม ให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนแล้วก็เข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการํำนานนั่งทีไรก็รวมได้ทุกครั้งถ้ายังรวมไม่ได้อยู่อย่าพึ่งไปทางปัญญาเพราะทางปัญญามันต้องใช้ความคิดยิ่งคิดแล้วเดี๋ยวเวลาจะเวลามันวุ่นวายขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้งั้นตอนนี้พยายามฝึกวิธีหยุดจิตวิธีเข้าสมาธิให้ํำนาญก่อน ออกจากสมาธิมาก็อย่าเพิ่งไปคิดทางปัญญาให้พุโทโธต่อไปให้หยุดความคิดไว้ก่อนคิดเท่าที่จำเป็นคิดไว้กับเรื่องเฉพาะหน้าเราต้องทำอะไรต้องกินอะไรต้องใช้อะไรก็ทำไปนะอย่าไปคิดเรื่องอะไรต่างๆเพราะมันคิดไปมันก็จะดืม้มันจะเอามาใช้ไม่ได้เพราะไม่มีกำลังพยายามฝึกสติให้มีให้เข้าสมาธิให้ได้ได้ ปะจามได้ได้ได้โดยที่เราต้องการทุกครั้งและเข้าถึงถึงจุดของสมาธิเลยคือถึงฐานของจิตคืออัปปนาสมาธิจุดรวมเป็นหนึ่งสัก์แต่ว่ารูรูปเสียงกินลสต่างๆหายไปหมดข้อที่สองขณะจิตเข้ากระทบกับอารมณ์ภายนอกมิญยันนัขันออกมาทำงานรอบด้านจากทาวารทั้งห้าขณะนั้นสังขารก็พาจิตให้คิดปรุงแต่งไปต่างๆ จิตถูกครอบงาําถามว่าเราจะมีอุบายอะไรตามดูจิตว่ากําลังถูกนามขันทั้งสองตัวเล่นงานอยู่และหาทางออกมาเพื่อให้จิตกลับมาอยู่ที่ตั้งและฉลาดขึ้นถ้ามีอารมณ์ภายนอกมากระทบอีกค่ะก็พุโทโธไงนี่แหละถ้าออกมาถ้ามีสติมีพุโทโธมันก็จะไม่ปรุงแต่งแล้วรูปเสียงกินรถเข้ามาก็เข้ามาแล้วก็ผ่านไปเมื่อจิตไม่ไปคิดปรุงแต่งกับมันจิตอยู่กับพุโทโธพุโทโธทุกอย่างมันก็จะเน่งจะสงบไปครับ เพิ่งบอกให้รักษาสติให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปใช้ปัญญาหยุดอารมณ์ต่างๆด้วยด้วยด้วยพุโทโธก่อนตอนเมื่อเรามีความจํา ن าญหยุดได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วค่อยไปใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูสิ่งที่มาว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงสิ่งที่มาสัมผัสกับเรามันเที่ยงไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับมันได้หรือเปล่าถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับมันไม่ได้เราจะได้ไม่ไปอยากไปยุ่งกับมัน เหมือนฝนฟ้าอากาศนี่มันเที่ยงหรือเปล่ า, าไม่เที่ยงใช่ไหมเราควบคุมบังคับมันได้เปล่าไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยไม่ไปยุ่งกับมันเน ะ, ะนี่นนะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนว่ามันเป็นฝนฟ้าอากาศแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกันแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันสัมผัสได้จะไม่กระใจยจะไม่สะเทือนตอนนี้มันสะเทือนเพราะว่าคิดว่ายังไป ควบคุมบังคับมันได้สั่งมันได้พอสั่งไม่ได้ก็ใจก็ทุกขึ้นมาอย่าตอนนี้หัดควบคุมอารมณ์ด้วยสติไปก่อนให้หยุดออกมาสัมผัสรับรู้รใจเฉยพุโทโธไปไม่รู้ไม่ชี้ไปก่อนจนกว่าเราจะสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ทุกเวลาหยุดความคิดได้ทุกเวลาก่อน พออยู่แล้วทีนี้ก็สอนให้มันคิดไปในทางปัญญาได้คิดว่าทุกอย่างเป็นฝนฟ้าอากาศนะเป็นดินน้ำนมไฟเป็นธรรมชาติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขลงลงสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ต่อไปมันก็จะไม่ไปยุ่งกับใครไม่ไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรถไม่ไปยุ่งกับอะไรมันมาก็ปล่อยมันมามันไปก็ปล่อยมันไปตอนนี้เราไม่อย่างนั้นนี่มันมาถ้าไม่ชอบก็อยากจะถีบมันไป ถ้าชอบก็อยากกระดึงมันไว้พอมันดึงดึงมันไม่อยู่มันไปก็เสียใจไอ้พวกที่ไม่ชอบมาถีบมันไปมันไม่ไปก็เสียใจเดือดร้อนอีกแตถ้าเราไม่ไปดึงไม่ไปถีบมันเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เดือดร้อนเราก็ปล่อยมันมาเสียงมาเสียงดีก็มาก็ปล่อยมันมาเสียงไม่ดีมาก็ปล่อยมันมาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันไม่มาทํำในเราหรอกเราทําตัวเราเองก็ได้นะรูปเสียงกิ่งร้อไม่ได้ทําเราหรอก มันเป็นเพลงเตือนเป็นชนวนมากระตุ้นให้เรามาถีบตัวเราเองด่าตัวเราเองทำร้ายตัวเราเองด้วยความลักความชังของเรานี่ความอยากของเรานี่นี่เราต้องมาแก้ตรงนี้ไม่ได้ไปแก้ที่รูปเสียงกลิ่นรสไม่ไดไม่ได้ไมดาแก้คนนั้นคนนี้มาแก้ใจของเราที่มันวุ่นวายไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะมันยังคิดว่าจะสามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของมันได้อยู่ แต่ถ้าพอเห็นว่ามันเป็นเหมือนธรรมชาติเหมือนฝนฟ้าอากาศมันก็จะได้เลิกเลิกไปยุ่งเลิกไปอยากที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการนี่คือปัญญาต้องรอให้สามารถหยุดความคิดให้ได้ก่อนหยุดได้แล้วถึงจะค่อยเอาถึงจะสั่งให้มันมาคิดทางนี้ได้ถ้าไม่ถ้าหยุดไม่ได้มาคิดทางนี้คิดไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็คิดแบบเดิมอีกคิดอยากจะไป ควคุมบังคับไปกําจัดสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นั่นข้อที่สามจิตคือความคิดใจคือการน้อมนึกถึงอารมณ์ต่างๆจิตใจคือความคิดน้อมถึงอารมณ์ต่างๆใช่หรือไม่คะไม่ใช่ล่ะจิตใจคือผู้รู้ผู้คิดนเข้าใจไหมการน้อมนี่คือใช้ปัญญาใช้ใช้สติ<ม>น้อมเข้าไปดึงเขาดึงดึงใจเข้าไปสู่สิ่งต่างๆ ด้วยสติแตตอนนี้จิตมันถูกกิเลสดึงไปเราดึงต้องใช้สติดึงให้มันกลับมาเข้ามาสู่ธรรมะเข้ามาสู่ความสงบอันนี้มันถูกกิเลสดึงให้เข้าไปสู่ความวุ่นวายต่างๆจิตใจคือผู้รู้ผู้คิดสติคือผู้กากับใจอีกทีหนึ่งเป็นผู้คอยควบคุมใจปัญญาเป็นผู้สอนใจให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่ว ถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ถ้าไม่ฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่รู้ผิดถูกดีชั่วก็จะทำไปตามความรู้สึกนึกคิดซึ่งส่วนใหญ่มันจะกลับตาลปัดตรงกันข้ามกันสิ่งที่ผิดกลับเ ห, เห็นว่าถูกสิ่งที่ดีกลับเห็นว่าไม่ดีการทําบุญดีกลับเห็นว่าไม่ดีเสียได้เงินการเที่ยวนี้แกว่าดีเพราะได้เที่ยวได้ใช้เงินแต่มันเหมือนไปซื้อยาเสพติด การเที่ยวนี้เหมือนกับซื้อยาเสพติดทเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่พอการทำบุญนี้เหมือนซื้ออาหารทำแล้วอิ่มพอไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องไปซื้ออะไรต้องต้องรู้นะไม่รู้เอาความคิดแบบนี้มาคิดขึ้นมาได้เองนะคิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยนะไม่ไปศึกษานะศึกษาจากไยตายพิดูกดูเสร็จศึกษาจากผู้รู้ดูมานั่ง มานั่งคิดเอาเองแล้วก็ไปเชื่อความคิดของตัวเองมันก็พาให้หลงทางไปข้อที่สี่อายตนะภายในกระทบภายนอกเกิดการผูกพันอารมณ์ภายนอกพยายามเข้ามาบงการจิตผ่านทวารทั้งหกด้านถามว่าจะใช้อุบายอะไรสอนจิตใจให้ละ ก, การผูกพันหรือเพื่อละสังโยชนะเนี่ยหยุดกันก่อนไงหยุดไปยุ่งกับมันก่อน อะไรมาก็ทบก็อย่าไปสนใจมันมามามากระทบปั้งมันก็ดับไปละใครพูดอะไรมันก็ดับไปละแต่เราเอามาเอามาคิดต่อเขาด่าเราตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนนี้ยังคิดอยู่น่นแะมันดา่ากูทำไมวะกูผิดยังไงเอาสติหยุดซะให้ติดอยู่ในปัจจุบันอย่าไปดึงอดีตที่มันผ่านไปแล้วมาแบกมันไม่มีสติมันก็เลยเอาอารมณ์มาแบกเลยไม่รู้สึกตัว คำถามจากคุณสารายุตสงสัยตอนท้ายที่ท่านอาจารย์เทศว่านารกสวรรค์ไม่ใช่สถานที่เมตตาช่วยอธิบายด้วยครับเพราะพระเทวทัตอยู่เอเวจีพระพุทธมารดาอยู่ดุสิตครับพระเทวทั์ร่างกายตายไปแล้วไม่ใช่เนละร่างกายกลายเป็นที่เท่าไปแล้วจะไปอยู่เอเวจีได้ไหนะใจของพระเทวทัตเนี่ยที่ยังไม่ตายที่อยู่ในเอเวจีใจที่มันจัดฉากเป็นนรกขึ้นมาไงเป็นเวทีความ ไปทําบาปมันก็จัดฉากให้เวทีนี้เป็นฉากบาปฉากที่น่าเกลียดน่ากลัวมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆขึ้นมาเอาเนี่ยพระเพระเทวทัศน์กำลังลบกับใครอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยในฝันเนี่ยกําลังฝันล้านกําลังฝันต่อสู้กับพระพุทธเจ้าต่อสู้กับคนนั้นต่อสู้กับคนนี้อยู่เพราะเวลาที่มันมันอยู่มันทําอย่างงี้มามันถ่ายวีดีโออาจเก็บเอาไว้ไง เ, เวลาตายมันก็วีดีโอวีดีโอที่ไปต่อสู้กับคนนั้นคนนี้มามาใช้ใหม่ที่มันใช้แบบกลับกันสิเคยไปทําเขาอันี้มันใช้กลับมาเข้ามาทําเราแทนอะไรนีะครับถามาจากคุณสุรัธนาการที่มีวิญญาณมาขอส่วนบุญขณะที่นั่งสมาธิอยู่ถือว่าดิฉันได้ชานหรือยังคะมีวิญญาณมาขอส่วนบุญเหรอ รู้ได้ไงว่าเขาเป็นวิญญาณมาขอส่วนบุญคุยเข้าได้หรือเปล่าถามเขาหรือเปล่าว่าเขาเป็นใครมาจากไหนหรือว่าอยู่ดีๆแล้วก็ตู่กันขึ้นมาอถ้ามันเป็นวิญญาณจริงต้องถามเรื่องชาติก่อนเป็นอะไรก่อนที่จะมาเป็นนี้เป็นหมูเป็นหมาหรือเป็นมนุษย์มีฐานะอะไรเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาสมันต้องมีอะไรที่ยืนยันกันเลยไม่ใช่อยู่ดีๆพี่ก็ว่าเป็นวิญญาณขึ้นมา อะไรโผล่ขึ้นมาในจิตก็ว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปเนี่ยจะเป็นบ้ารูป้ปะเนี่ยคำถามจากคุณไอเบอรี่อัปปนาสมาอัปปนาสมาธิใช่ฌานสี่หรือเปล่าคะในการนั่งสมาธิต้องสงบถึงฌานสี่แล้วค่อยพิจารณาปัญญาหนูเข้าใจถูกไหมคะไม่ถูกอะเวลาเข้าถึงฌานสีแล้วไม่พิจารณาเลยให้อยู่ฌานสี่ให้นานๆอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมง อยู่จนกว่ามันจะออกจากฌานสีแล้วออกมาคิดแล้วค่อยพิจารณาแตถ้ายังไม่ชำนาญการเข้าก็อยากพึ่งไปพิจารณาทางปัญญาให้สร้างสติต่อไปให้ฝึกสติให้สามารถดึงจิตเข้าอัปปนาได้ทุกครั้งก่อนถ้าได้เข้าได้ทุกครั้งแล้วค่อยออ ก, ออกมาแล้วถึงค่อยมาใช้ใช้ความคิดมาคิดพิจารณาทางปัญญาเหมือนกับหัดขับรถนะตอนต้นหัดขับรถ แถวบ้านแถวในต่อกในซอกในซอยให้ชำนาญก่อนพอชำนาญแล้วค่อยไปขึ้นไปถนนใหญ่ไปทางด่วนทางอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าไม่ชำนาญเดี๋ยวออกไปก็ชนกันแหลกเ่คำถามจากคุณมานีการคนที่นั่งสมาธิแล้วไปนรกไปสวรรค์ได้ติดต่อเทวดาได้ติดต่อวิญญาณได้ต้องได้ถึงชา้นชั้นไหนคะก็ไม่รู้หละลองทาไปดูสิเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะ ว่าคนที่นั่งนี้บางคนเขาก็ติดต่อได้บางคนเขาก็ติดต่อไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนที่นั่งทุกคนจะติดต่อกับกายทิพย์ได้อันนี้มันเป็นสมาธิพิเศษไม่ใช่อั ป, ปนาสมาธิเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิคือจิตสงบรวมอยู่แล้วไม่นิ่งไม่อยู่เฉยๆออกไปติดต่อกับกายทิพย์ต่อไปอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดกับอาจจะเกิดกับผู้ปฏิบับติบางคนเท่านั้นไม่ได้เกิดกับทุกคน พวกนี้เขาเรียกว่าพวกจิตผา่านพ้นจิตจิตพิเศษพวกนี้เขาว่าอาจจะมีแค่หนตส่วนใหญ่ที่นั่งสมาธิแล้วจะไม่ได้ไปติดต่อกับอะไรทั้งนั้นเข้าสู่ควาสมสงบอย่างไรพวกที่นั่งแล้วเห็นนูน่นเห็นนี่ส่วนใหญ่มันก็เห็นแบบเพลเจอร์ทั้งนั้นยังไม่ทันสงบแล้วก็เห็นนูน่นเห็นนี่แล้วมันจะเห็นได้มันต้องสงบก่อนรวมเป็นหนึ่งก่อนแล้วมันถึงก็ อ, ออกไปรับรู้ได้อีกทีนึง พวกนี้เป็นพวกนั่งแบบนั่งนั่งแบบเขาเรียกกันว่าวาดภาพพวกพวกชอบวาดภาพนั่งไปแล้วก็นึกไปโอ้เห็นนู่นแล้วเห็นนี่แล้วยิงยิ่งกับอาจารย์สอนเห็นไหมยังเห็นสวรรค์ไหมยังเห็นเปรตได้ยังเห็นเทวดาเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วจ้าถ้าบอกไม่เห็นเดิจะกลัวโง่ใช่ไหมไม่ได้นั่งเพื่อให้เห็นนั่งเพื่อให้สงบ นั่งเพื่อให้มันว่างให้มันสงบให้มันมีความสุขเวลาเห็นก็อย่าไปเห็นดึงมันกลับมาถ้าจะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นอย่าไปยุ่งกับการไปเห็นกายทิพย์เห็นอะไรทั้งนั้นให้ดึงกลับเข้ามาอยู่ความสงบเพราะถ้าไปเห็นแล้วใจมันจะไม่สงบนิ่งมันจะไม่มีกำลังไม่มีอุเบกขาโมจะมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาจะสู้ไม่ได้คาถามจากคุณ เบญจวันคนที่เกิดศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธเวลาตายไปจะไปเนะมีนรกมีสวรรค์เหมือนศาสนาพุทธไหมคะทําไมต้องมีหลายศาสนาบนโลกคะก็คนทําผิดกฎหมายนันบถือศาสนาอะไรก็เข้าคุกเหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่ไหมกฎแห่งกรรมก็แบบเดียวกันะไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรหรือไม่นับถือศาสนาอะไรทําบาปมันก็ต้องไปใช้กรรมเหมือนกันทําบุญก็ไปรับผลบุญเหมือนกัน ทำไมมีหลายศาสนาศาสนา ก, ก็คือเป็นการเป็นการไปศึกษาเรื่องของจิตใจของแต่ละคนแล้วก็ามาสอนกันคนจิตคนไหนศึกษาดูอะไรก็ามาสอนก็เป็นศาสนาหนึ่งไปพระพุทธศาสนาะก็มีพระพุทธเจ้าไปศึกษาเรื่องจิตใจศึกษาดูแล้วก็อามาสอนก็เป็นพุทธศาสนาพระเยซูไปศึกษาท่านก็ได้ความรู้เกี่ยวกับจิตใจท่านก็ามาสอนก็สอนกันไป ตามความรู้ของคนที่ไปศึกษามาถูกบ้างผิดบ้างก็แล้วแต่ความฉลาดของคนที่ไปศึกษาว่าฉลาดมากฉลาดน้อยของพระพุทธเจ้าเรานี้ต้องถือว่าฉลาดที่สุดรู้ความจริงทุกทุกส่วนทุกประการครบถ้วนบริบูรณ์ร้อยเอร์เซนตส่วนศาสนาอื่นนี้รู้ไม่ครบยังไม่มีศาสนาให้รู้ถึงพระนิพพานรู้ได้แค่สวรรค์ชั้นพรหม ตายไปแล้วได้ไปพบกับพระเจ้าบนสวรรค์อย่างแต่ไม่มีใครดูเรื่องพระนิพพานเรื่องการวิติการเวียนว่ายตายเกิดมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวคำถามจากคุณโกปองเรารักษาสินห้าได้พยายามทำแต่ความดีทั้งกายวาจาและคิดแต่ทางที่ดีๆไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะเรา คำ ถ, ถามค่ะทำไมเรายังเป็นทุกข์เมื่อเราถูกกระทบทางตาหูจมูกในสิ่งที่ไม่อพอใจเจ้าครับก็เพราะว่ายังไม่ได้เป็นนักบวชไงนักบวชเขาจะหยุดเหตุที่ทําให้ทุกข์ใจคือความอยากต่างๆนักบุญนี้ยังไม่ได้สอนให้หยุดความอยากเหล่านี้สอนให้ฝืนความอยากเช่นเวลาจะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาไปทําบุญมันก็จะลดความทุกข์ใจจากเรื่องการไปเที่ยวได้ในระดับหนึ่งแต่เรื่องอย่างอื่นยังไม่ได้ยังไม่ได้สอน อยากจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่มากระทบใจก็ต้องไปเป็นนักบวชไปปฏิบัติแบบนักบวชไปถือศีลแปดไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาถึงจะสามารถกาจัดความอยากที่สร้างความทุกข์ใจได้เวลาที่มีอะไรมาสัมผัสคาถามจากคุณพนพง์ถ้านั่งสมาธิโดยดูลมหายใจเริ่มจับดูลมที่ปลายจมูกแล้วลมก็ไปอยู่ที่ลิ้นปีดโดยนึกถึงกุดโถกับลมหายใจ เมื่อรู้สึกลมอยู่ที่ลิ้นปี่แล้วต้องทําอย่างไรต่อคะต้องดูลมต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะไม่ถูกอะ่ะต้องดูที่ปลายจมูกอย่างเดียวไม่ต้องตามลมเข้าแล้วถ้าจะไปอยู่ที่ลิ้นปี่ก็อยู่ที่ลิ้นปี่อย่างเดียวให้อยู่จุดเดียวอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจิตมันจะไม่นิ่งจิตจะไม่รวมจะรวมมันต้องอยู่จุดเดียวจะอยู่ที่ลิ้นปี่ก็ดูมันที่ลิ้นปี่เข้าออกยุบหนอพองหนอเนี่ยมันก็อยู่ที่ลิ้นปี่ เลยไหมงั้นก็ดูที่ปลาจมูกเข้าออกอย่าไปควบคุมบังคับลมอย่าไปทําอะไรกับลมให้ให้ดูลมไปเฉยเฉยให้ดูในจุดเดียวจนกว่ามันจะรวมแล้วทุกอย่างมันจะหายไปหมดถ้ายังไม่รวมก็ดูไปเรื่อยๆถ้าลมมันหายไปดูไม่เห็นก็ดูความว่างไปดูอย่าปล่อยให้มันคิดก็แล้วกันถ้ามันคิดก็ต้องหยุดมันให้ได้ถ้ามีสติมันก็จะรู้เวลาคิด พอรู้ว่ามันคิดมันก็จะหยุดได้แล้วก็ให้มันดูความว่างไปอยู่กับความว่างไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเองรวมแล้วก็ปล่อยให้มันรวมไปนานๆอย่าไปยุ่งกับมันจนกว่ามันจะถอนออกมาออกมารับรู้รูปเสียงกลิ่นลดออกมารับรู้ความคิดต่างๆแล้วก็จเจริญสติต่อไปพุทธโธก็ได้ควบคุมความคิดต่อไปอย่าเพิ่งไปจเจริญปัญญาให้ฝึกสติสมาธิให้ชานานก่อนพอชนานาญแล้ว ต่อไปแล้วค่อยมาฝึกทางปัญญาต่อไปถ้า ส, สมาธิยังไม่ชํานาญยังควบคุมความคิดไม่ได้เดี๋ยวมาคิดทางปัญญาได้แค่เดี๋ยวเดียวมันเดี๋ยวกิเลสมันหลอกก็ไปคิดทางอื่นแล้วกิเลสมันฉลาดมันไวกว่าคิดอนิจจังทุกขังได้แป๊บเดียวเดี๋ยวกายเป็นนิจจังสุขังอัตตาขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งคิดได้เรายังไม่สามารถควบคุมความคิดได้ไ ด, ได้เต็มที่ได้เต็มร้อย ถ้ายัางเข้าสมาธิไม่ได้ทุกเวลาออกจากสมาธิมาควบคุมความคิดยังไม่ได้อย่าเพิ่งไปทางปัญญาก่อหยุดความคิดไว้ก่อนอย่าปล่อยมันคิดจนกว่าเราจะหยุดมันได้ห้ามมันได้เวลามันจะคิดไปในทางกิเลสเราก็จะหยุดมันได้แล้วเราก็ดึงมันมาคิดทางปัญญานะคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากได้มันอย่าไปมีมัน อยู่คนเดียวอยู่กับความว่างเปล่าอยู่กับความสงบเนี่ยดีที่สุดนี่คือปัญญาคำถามจากคุณอรารยาเวลานั่งสมาธินา น, านจนมีความรู้สึกว่าท่อนขาเหมือนท่อนซุงไม่สามารถบังคับได้เห็นความไม่เที่ยงชัดมากว่าร่างกายไม่ใช่ของเรา แต่พยายามจะข้ามความเจ็บปวดให้ได้จะข้ามยังไงคะก็เหมือนกันไงก็มันไม่ใช่ของเราไงก็อย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุทโธไปแล้วอยู่กับลมไปปล่อยมันไปปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายแล้วความเจ็บจะไม่ทรมานที่มันทรมานเพราะเราไปอยากให้มันหายคำถามจากคุณเนสผมชอบเข้าวัดสวดมนต์กับพระทำวัดตอนเย็นผมจะได้อะไรบ้างครับ กถ้าสวดโดยที่ไม่ไปคิดอะไรก็จะได้สติแล้วถ้าเข้าใจความหมายของบทสวดก็จะได้ปัญญาเพราะบทสวดส่วนให ญ, ญ่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้ว่าถ้าสวดแล้ไม่เข้าใจความหมายก็เหมือนก็จะไม่รู้ก็จะไม่ได้ความรู้ได้เพียงแต่สติคือควบคุมใจให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็จะได้ความเบาเบาอกเบาใจในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เต็มเต็มร้อย ถ้าอยากจะให้เต็มร้อยต้องหยุดสวดแล้วก็นั่งดูลมหายใจเพ่งดูลมอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียวจนกว่าจิตมันจะรวมเข้าไปเป็นหนึ่งดิ่งเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเป็นสมาธิขึ้นมามันก็จะได้ได้สมาธิได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้คําถามจากคุณภูมิสืบเนื่องจากมีคนติเตียนมาว่าเวลาที่เราปฏิบัติ ไม่ควรสงสัยในธรรมหากสงสัยในธรรมการปฏิบัติจะไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติไปจนเกิดความรู้สึกเช่นไรถึงควรที่จะสงสัยถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ครับก็สงสัยได้เพียงแต่สงสัยแบบมีเหตุมีผลไม่ใช่สงสัยแบบไม่มีเหตุไม่มีผลตอนต้นก่อนที่เราจะไปปฏิบัติแล้วก็เราสงสัยอะไรเราก็แก้ความสงสัยนะั้นไปถามผู้รู้ สงสัยวิธีการปฏิบัติสมาธิปฏิบัติอย่างไรก็ไปถามคนที่เขารู้ว่าปฏิบัติอย่างไรพอรู้จากวิธีที่ปฏิบัติแล้วก็นั่งสมาธิไปพอเกิด อ, อะไรขึ้นมาในใจไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรก็ไปถามผู้รู้ต่อไปอย่าไปเมาเอาเองว่าเป็นดวงวิญญาณมาขอส่วนบุญหรือเจ้ากรรมนายเวรมาทวงหนี้ทวงศีลอะไรอันนี้ถ้าเราไม่มั่นใจก็ต้อง มันอย่าไปตู่เอาเฉยๆมันต้องมีเหตุมีผลมีหลักฐานยืนยันกันก่อนงั้นเวลาเรานั่งแล้วได้ผลยังไงไม่มั่นใจว่าถูกหรือเปล่าก็ไปถามอาจารย์แต่ก่อนจะนั่งก็ต้องรู้ว่านั่งแล้วควรจะได้อะไรนั่งแล้วควรจะเห็นหรือไม่เห็นอะไรถ้านั่งแล้วเห็นอะไรก็ถือว่านั่งไม่ถูกนั่งแล้วไม่ควรเห็นอะไร ให้เห็นแต่ความว่างความสงบนั่นคือเป้าหมายของการนั่งอันนี้ก็ต้องศึกษาล่วงหน้าก่อนแล้วเมื่อไปแล้วมันนั่งแล้วไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดก็ลองไปเล่าให้คนที่เขานั่งเป็นถามดูว่านั่งถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าอย่างไรอย่าไปตัดสินใจเอาเองเดี๋ยวจะผิดพลาดแล้วจะหลงทางได้เดี๋ยวจะกลายเป็นคนบ้าได้เสียสติได้ คำถามจากคุณพัฒนารีการนั่งปฏิบัติที่ถูกต้องคือต้องนั่งแล้วทําอย่างไรถึงจะถูกวิธีคะไปปฏิบัติหลายวัดก็สอนไม่เหมือนกันดูลมบ้างพุทโธบ้างคนทําเช่นไรคะก็ให้มีสติหยุดความคิดเนี่ยด้วยวิธีดูลมก็ได้ด้วยการพุทโธก็ได้การจะหยุดความคิดนี้มีหลายวิธีไงสวนมนก็หยุดความคิดได้ในระดับหนึ่งพุทโธก็หยุดได้ดูลมหายใจอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดอะไรมันก็หยุดได้ อย่างนั้แล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นไปแต่ลักษณะเขาก็สอนตามที่เขาถนัดอาจารย์เขาถนัดแบบไหนเขาก็สอนอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ถนัดแบบที่อาจารย์สอนเราก็ใช้แบบที่เราถนัด mm hmm. ก็แล้วกัน mm hmm. เาอาจจะไปใช้สถานที่เพื่อเราจะได้ปฏิบัติแต่การปฏิบัติข้างในไม่มีใครรู้หรอกว่าเราใช้อะไร mm hmm. ใช้อะไรก็ไม่มีใครก็ห้ามหรอกเพียงแต่ใช้แล้วทาให้จิตมันสงบก็ใช้ได้อ เครื่องที่จะมาหยุดความคิดมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบเนี่ยเั้นมันไม่ได้เป็นของตายตัวว่าทุกคนจะต้องพุโทโธอย่างเดียวทุกคนจะต้องดูลมอย่างเดียวอมันมีหลากหลายวิธีด้วยกันก็เราเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งที่มันเหมาะกับเราก็แล้วกันในั่งเราทําให้ใจเรานิ่งเราสงบมีความสุขคําถามจากคุณสุพัฒน์ ทำอย่างไรให้มีสมาธิไม่คิดฟุ้งซ่านในขณะนั่งสมาธิครับหลวงพอ่อก็ต้องฝึกสติก่อนฝึกสติหยุดความคิดก่อนจะมานั่งเลยพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันนลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็พุโทโธไประหว่างทํากิจกรรมอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปถ้ามันคิดถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ให้ดูกิจกรรมที่เรากำลังทําไปอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้ามันคิดเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธหยุดมันไป ถามจากคุณปังปอนทําไมทําบุญต้องกวดน้ําคะมีความหมายว่าอย่างไรคะคือทําบุญเนี่ยเราจะสามารถแบ่งบุญที่เราทํานี้ให้กับคนตายได้ถ้าเราอยากจะแบ่งเราก็อุทิศบุญไปวิธีอุทิศบุญจริงๆเขาอุทิศด้วยใจให้เราเราลึกในใจที่ฐานใจไปว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่ได้ร่วงลับไปแล้ว ทีนี้คนที่ก็อยากจะเห็นหน้าตาบุญว่าเป็นยังไงเขาก็เลยบอกเอาน้ํามาเป็นหน้าตาแทนบุญก็แล้วกันเวลาจะอุทิศบุญก็เอาเทน้ําลงไปในภาชนะแล้วสมมุติว่ากระแสน้ําที่เราเทนี้เป็นกระแสบุญที่เราส่งไปแต่ความจริงอุทิศจริงๆแล้วมีน้ําก็ได้ไม่มีน้ําก็ได้แต่ต้องอุทิศคนที่เขารอรับเขาเขาถึงจะรับได้ ถ้าไม่ไม่อุทิศให้เขาบุญนี้เขาก็รับไม่ได้เหมือนมีของแต่ไม่ส่งไปสนีไปหรือไม่ใส่ไม่จไม่ใส่ชื่อของผู้รับนี้ส่งไปผู้รับก็รับไม่ได้ไม่รู้เป็นของใครคาถามจากนายสมศักดิ์กายหยาบกายละเอียดคืออะไรครับก็กายอยากก็คือร่างกายเราที่มองเห็นด้วยตาหยาบตาเนื้อกายละเอียดก็คือกายทิพย์ก็คือใจเรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ ต้องเห็นด้วยตาในวิธีจะเห็นเห็นด้วยตาวิธีจะเห็นกายละเอียดกายทิพย์ก็ต้องหลับตาตาหยาบหลับตานอกนั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวตาในก็จะเปิดขึ้นมาพอใจสงบตาในก็สว่างขึ้นมาก็จะเห็นตัวรู้ขึ้นมาเห็นกายทิพย์ขึ้นมาเห็นกายทิพย์ของผู้อื่นด้วยถ้ามีความสามารถพิเศษแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นกายทิพย์ของผู้อื่นได้ จะเห็นกายทิพย์ของตนเองได้ทุกคนเวลาจิตสงบแล้วกายทิพย์ก็จะปรากฏขึ้นมาคำถามจากคุณภูมิเนื่องจากคำตอบจากคำถามสักครู่เราจะเราจะมีวิธีการสอบหาผู้รู้ที่แท้จริงอย่างไรครับเพราะปัจจุบันจากข่าวที่ตามสื่อต่างๆออกมาทำให้ขาดความมั่นใจในการสอะแสวงหาผู้รู้จริงอย่างแท้จริง เพื่อความเบาปัญญาข้าพเจ้าจึงขออาจารย์โปรดแนะนําด้วยครับก็ศึกษาไปเรื่อยๆถามคนนู้นถามคนนี้ไปเรื่อยๆจะให้เรามาบอกอย่างเราไม่ค่อยถนัดที่จะไปแนะนําว่าที่นั่นที่นี่เป็นอย่างไรเพราะเราก็ไม่ค่อยรู้จักที่มากเท่าไหร่ ร, รู้แต่พระสายหลวงปู่มั่นเท่านั้นที่เราเชื่อมั่นครูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษากับหลวงปู่มั่นนานนี้ท่านเป็นพระอริยะท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านสอน ที่ถูกต้องยังถ้าอยากจะได้คนรู้ก็อ่านหนังสือของหลวงตามาหาบัวไปก็แล้วกันพอแล้วอ่านศึกษาของท่านองเดียวเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ท่านหลงตา .com มีหนังสือธรรมะต่างๆของท่านให้เราดาวน์โหลดให้เราได้อ่านได้ศึกษาคาถามจากคุณดาจิตของเรามีไวัยไหมคะตั้งแต่แรกเกิดถึงชาราจิตไม่มีอายุเพราะว่ามันไม่รู้มันมีมาตั้งนานแล้วอ พระพุทธเจ้าลองจะค้นหาจุดเริ่มต้นของจิตย้อนรดิ ย, ย้อนย้อนชาติไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอต้นต้นของมันท่านก็เลยหยุดท่านรู้ว่ามันไม่มีไม่มีประมาณก็แล้วแต่ไม่มีประมาณวัดไม่ได้ว่าจิตมีอายุเท่าไหร่ก็ประมาณได้อย่างที่บอกนีว่าที่เราร้องหอบร้องห้าจนน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นลองคิดดูแลวจะต้องเกิดมาก เกิดมาแก่เจ็บตายกี่ล้านกี่แสนล้านครั้งนแล้วอายุของจิตมันกน็มันก็ประมาณนั้นอนะ่ะคําถามจากคุณทิพย์นนท์เราอุทิศบุญให้คนที่เป็นคนเป็นได้ไหมครับไม่ได้แล้วเพราะคนที่เป็นคนเป็นหาบุญเองได้มากกว่าทําบุญเองได้ร้อยได้ร้อยเต็มร้อยแต่บุญอุทิศนี้ส่งไปได้แค่าบาทเดียวแล้วต้องส่งไปทางไปเสน่ห์ แล้วคนที่อรอรับรับผลบุญทิดก็รับได้เพียงเท่านั้นก็บุญส่วนใหญ่ยังเป็นของคนที่ทําอยู่คําถามจากคุณชัชวานภรรยาเครียดจากการทํางานจนนอนไม่หลับทุกวันนี้ยังต้องกินยานอนหลับควรจะทําอย่างไรให้ไม่ต้องกินยานอนหลับครับก็หยุดความคิดเสียหาใช้สติพุโทโธพุธโทโธไปพอหยุดความคิดได้มันก็นอนหลับเอง แล้วเวลานอนไม่หลับก็อยากไปอยากให้มันหลับยิ่งอยากให้มันหลับมั น, มนยินย่งไม่หลับใหญ่ก็นอนไปมึงจะหลับก็หลับไม่หลับก็ช่างหัวมันกูก็คุทโทพูดโทไปเดี๋ยวก็หลับเองถ้าไปยิ่งอยากให้มันหลับมันยิ่งไม่อลับมันยิ่งไม่หลับใหญ่ความอยากหลับนี่ยมันตัวสําคัญที่ทําให้นอนไม่หลับนึงมันไม่หลับเดี๋ยวมันไม่นอนสักสามวันเดี๋ยวมันหลับเองอะถึงเวลามันอื ไม่ต้องไปกินยาให้มันติดหรอกกินยาเดี๋ยวก็ติดต้องกินอยู่เรื่อยๆปล่อยให้มันหลับแบบธรรมชาติดีกว่าจะช่วยได้ก็คือพุทโธพุทโธอย่าไปคิดเหมือนแล้วมันก็จะหลับง่ายแต่ถ้าพุทโธไม่ไหวก็ปล่อยให้มันคิดจะมันเหนื่อยมัคิดจะไม่ไหวเดี๋ยวมันง่วงสุดๆมันก็หลับของมันเองแหลไม่ต้องไปไม่ต้องไปกินยาหกินยาแล้วมันติดแล้วจะเป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายแล้วเวลาไม่มียากินก็จะนอนไม่หลับอเองอ่าสุดท้าย ถามจักคุณราชนีการหล่อพระหรือการถวายพระพุทธรูปได้อ น, นิสงส์งเท่ากันไหมเจ้าคะหล่อพระมันหล่อพระนี่บางทีมันอยู่ที่ว่าเราเราต้องบริจาเราต้องเสียประโยชน์ไปเท่าไหร่ไงมันอยู่ที่ผลประโยชน์ที่เราเสียให้กับการกระทำํำถ้าเราจ่ายเงินหล่อพระคนหล่อพระกับคนจ่ายเงินนี้ใครใครใครบริจากมากกว่ากันก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะ ใครบริจากมากคนนั้นก็ได้บุญมากใครเสียเงินมากเสียเสียประโยชน์ความสุขให้ให้มากกว่าก็คนนั้นก็จะได้บุญมากกว่าต้องดูการเสียสละปริมาณของการเสียสละแล้วก็ต้องดูสัดส่วนของของของตนด้วยว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ถ้าคนหนึ่งเสียสละร้อยละสิอีกคนหนึ่งเสียสะ100ละร้อยละห้าคนเสียสละร้อยละสิบมันก็ต้องได้บุญมากกว่าคนเสียสะ100ละร้อยละห้า แต่ว่าจำนวนเงินร้อยละห้าอาจจะมากกว่าร้อยละสิบมันก็ต้องดูแบบนี้ดูที่ใจดูที่ความสุขใจยิงเสียเสียมากใจก็จะมีความสุขมากได้บุญมากเอาแล้วเนอะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ